อย่าไปกลัวการลงไปทำงานหรือว่าอย่าไปรังเกียจและขณะเดียวกันก็ให้ถือว่าในการที่เราออกจากลายนตรงกรมออกจากการปฏิบัติมันก็ยังต้องรักษาจะให้มีสตอิอยู่อิเลียบทย่อยๆต่างๆอย่าไปถือว่าไม่สำคัญน้ำถูฟันเป็นเรื่องสำคัญ